เทศอบรมพระวันที่16กคุมพาพัน2522เทศกันนี้ท่านอาจารย์พระมหาบัวยานสัมปันโนบันทึกไว้กันนี้เข้มข้นดีมากงานใดก็ไม่หนักเหมือนงานปฏิบัติศาสนาทางด้านจิตตภาวนาเพราะต้องบังคับใจให้เป็นไปตามธรรม จิตกาลังเป็นนักโทษเพราะกิเลสควบคุมประวัติของพระพุทธเจ้าและสาวกเป็นคติได้อย่างดีเยี่ยมถึงตอนกลางของการแสดงธรรมมีรถเข้ามาวัดเลยหยุดเทศความเป็นขณูดกฎเจนเป็นระเบียบเรียบร้อยทุกเิ็นทุกอย่างรวมในกศาสนาหมดขึ้นชื่อว่าความดึมดูด ไม่มีอะไรเหมือนจิตใจกับกายไม่ต่างตำหนัของอาไอะไรหนะมันก็ขวางหูขวางตาพูดขึ้นก็ขวางหูแสดงของทางปียามันยากมันก็ขวางตาเนี่ยแล้วทำไมมันต้งเป็นขวางใจได้ยังไงเมื่อทั้งสองอย่างสามอย่างมันตกรอดก็ดไปถึงใจอย่นั้นเป็นที่ไหนใจเป็นผู้รักษาที่อยาก การเอาไปปฏิบัติตัวเองสติไม่อยู่กับตัวอยู่ที่ไหนผู้ที่จะฝึกตนเพื่อเป็นผู้มีความสงบร่มเย็นภาณิจัยจริงๆต้องมีสติมีปัญญาเป็นเครื่องรักษาตัวอยู่ตลอดเวลามีเคยพูดเสมอพูดซจนเบื่อจะพูดผู้ฟังถ้าจะไม่นมาสนใจในธรรมแบบเฉลี่ยๆแล้วก็จะก็เบื้อจะฟังมัน ผู้เทศมีแม้เทศด้วยความตั้งใจขนาดนั้นยังเบื่อที่จะเทศเพราะเทศจนซ้ำทักๆซึ่ตตงจำอยากให้พูดกันมีตลอดเวลามีได้ทางเพศผ่านศาสน า, า, าวันนี้ถึงเดียวมาเทียบกันกับเรื่องโลกที่เราผ่านมาเหมือนกันกรรมอายุวัยของเรากําลังของเรา ที่ผ่านรื่งลูกมางานบางอย่างก็หนักแต่สุดท้ายเขาไม่มีงานอะไรหนะักเิ่งขวางงานบังคับใจนี่สำคัญมากงานบังคับใจก็คืองานภาวนาอยู่ที่ไหนกู จิตมันเป็นนักโทษจะไม่ต้องจะไม่ควบคุมมันได้อย่างไรต้องควบคุมต้องรักษาต้องน้อมนั่ระวังตลอดเวลาเหมือนนักโทษประหารชีวิตต้องมีคนคุมกันไปยี่สิบคนจนมองหานักโทษไม่เห็นกลัวจะขโมออยหนีนจิตนันก็เป็นนักโทษอย่างนั้นถ้าเราตั้งใจจะฝึกจิตให้ดมมีมันต้องได้ควบคุมจิตอย่างนั้น จิตเป็นเหมือนนโทษเพราะโทษมันมีอยู่ภายในจิตไม่ใช่จิตจริงๆเป็นโทษสิ่งที่เป็นโทษมันอยู่ในจิตจึงทําให้จิตเป็นโทษทําให้จิตเหลวไหลธรรมจิตโอนกวายกระเสือกกระสนหาที่เกาะที่ยึดไม่ได้มักจะไปเกาะไปยึดตั้งแต่สิ่งที่เพิ่มเนื่องตัวปกติเพิ่มโทษที่มีอยู่แล้วนั้นให้มากขึ้นนี่เป็นของลําบาก ถ้าจะคิดเรื่องลําบากแต่ถ้าความมุ่งมั่นขายนจิตใจมีอยู่แล้วความลาบากอะไรๆมันก็ไม่เห็นปเป็นอุประสรรคมันไม่ถือว่าเป็นการลาบากมีแต่มีแ่จ ะ, จ, ะจะเอาท่าเดียวทํามันได้อย่างใจคือความดีอย่างเดียวมีได้เคยฝึกมาถึงได้กล้าสามารถมาพูดถึงมู่คณะครคิดบางทีมันโอ้โหกับพัดกับเกล็ดนั่นอะไรกับอะไร มันบินดนโกลวายยิ่งกว่าลิงตัวขนองหรือช้างตกมันด้วยซ้ำมันยิ่งกว่าฟาดกันไปฟาดกันมามันหนักเราก็หนักนั่นแหละทีเรียกว่ามัชชิมาปฏิปทายึดผาดผลขนาดนั้นเราจะเอามัชชิมาแบบไหนไปใช้ถ้ามันมัชชิมาแบบหักกันหอมเป็นอย่างเต็มที่เอาเป็นอดตายเข้าว่ากัน กำลังสติกำลังปัญญากำลังศรัทธากำลังความเพียรไม่พอมันจะหายประโยชน์ได้อย่างไงต้องให้มันพอกันมีถึงเดียวมัชจิมาปฏิบัติคือเหมาะสมกับกิเลสประเภทนั้นเหมาะสมกับการปราบกิเลสประเภทนี้กิเลสตัวมันอยากมันโลดโผนก็ปราบด้วยมัจจิมาอันโลดโผนต่อกันไม่อย่างนั้นไม่ทันกัน เอากบไปสายไม้ทั้งต้นมันได้เหรอือไมทั้งต้นขวานจะมาเป็นต้นเสาลราทำยังไงต้นต้นทํำยังไงค่อยเลยื่อยกบขวานฟาดฟันไปจนไม่มีชิ้นดีหักล่มลงเสียงฟาดสนับดินสนับหวั่นไหวนเหมือนกับมันจะแหลกไปทั้งต้นก็ต้องทำกันใครจะไปประครับประคอให้มันค่อยล้มลง ม, มากลัวมันจะบอกไปทํา เขาถากฟังฟันสุดกําลังความสามารถจนกว่าจะเข้าถึงขั้นละเอียดนําเครื่องมือเครื่องนี้ละเอียดมาท้ายเป็นลำดับลาดับมาจนเห็นว่าเหมาะสมทุกส่วนแล้วมันก็ใช้ได้เท่านั้นอืพวกเราปฏิบททัติธรรมปฏิ บ, ตบัติยังไงต่อที่เหล็กนี่ยปฏิ บ, ตบัติต่อที่ปฏิบัติอย่างไรกันมันถึงไม่ได้เรื่องเวลาพูดให้ฟังจน ปากก็ฉีดอยู่แล้วหลองสมาธิก็ดีนั่นก็ยินแต่ชื่อจิตหาความสงบไม่ได้เพราะไม่ฝึกไม่สมาทานให้ถึงเหตุถึงผลของมันมีวันหนึ่งจนได้ที่มันจะยอมตำหนิเราและเห็นโทษสั่งความพุ่งส่านอย่างชัดเจนด้วยพละ จ, จิตใจได้เห็นคุณค่าของการตุตรมานมันอย่างเต็มเหนี่ยวนั้นจนถึงกับความสงบได้อย่างเต็มที่อย่างประจักษ์ใจเหมือนกัน งานั้นหนักก็ต้องหนักเลยจะเบาบางอยู่ในนี่ถึงว่างานหนักนลนวไดทุ่มทุพอจริงจิงงานทิ่ต่พอหานี่ได้ทุ่มมันจะชีวิตะ จ, จ ะ, มจะไม่ก็ไปเลยตายก็ตายไม่เสียดายก็เพราะความมุ่งมั่นมันหนักมันมีน้ำหนักมาก นี่การได้ยินได้ฟังมันเป็นเครื่องดึงดูดจิตใจเรามีปณิสัยมีความสนใจค่ายทำอยู่แล้วจะฝืนทําไปได้อย่างไรอย่างที่เราบวชแต่ก่อนแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะบวชเป็กี่ปีกี่เดือนบวชเพีงปีสองปีก็จะติดบวชพอเป็นขนมธรรมเนียมประเพณีที่นิยมกันตามบ้านตามเมืองเท่านั้นหรือเราบวชเขาทํา หน้าที่ของการบวชให้จริงจังไม่หล่อเลยด้านเองนั่นสี่เป็นเหตุที่จะได้อ่านหนังสือทางด้านธรรมอ่านไปตงไหนทำให้ใจิตใจสะดุดสะดุดไปเรื่อยๆเอ๊ะเอ๊ะชอบคนชอบคนือคนน่อยว่าตรงไหนถูกตุกแห ง, แหงทุอกแางหาพี่ข้านมาได้เรายังไม่ลืมนะผิด ท, ท่องหรือพวัตไม่นยินดีในรูปเสง ถึลเครื่องสัมผัสไม่คือไม่ให้ยินดียินไล่ในรูปเวลากระทบอริาธรรมะทานายกระทบอริอยธรรมะภายนอกการหูจมูกดิน้นการใจกระทบรูกเสียงถึงลดเครื่อสัมผัสต่างทํามารูไม่เรื่งความยินดียินไล่กรนีนเรามันยินดียินไล่ตลอดเวลามันเข้ากันกับํารมะยังไงหนะ ม, มันเอานะาเข้าขมเทียบเทียงตัวเองนะ นั่นทําท่านว่าอย่างนั้นนี่นี่ที่คิดว่าเราเป็นอย่างนี้ทําไงนี่ก็แสดงวไม่เข้าร่างวราของทําเลยเนี่ยมันสะดุดใจอ่านไปอ่านไปแสดงไปยิ่งสดุดยิ่งไปอ่านพุทธประวัติกับสาวกพระวัติด้วยแล้วยิ่งซึ้งซึ้งพระพุทธเจา้าทรงประกอบความเพียรหรือว่าทรงสละราชสมบัติออกบวชอันนี้กอดไม่มันก็แผ่นดินไหวหวั่นไปหนึ่ง กระทบกระเทือนซึ่งไม่เคยมีผู้ใดสามารถทำได้อย่างพระองค์นั่นสินเหมือนกับฟ้าดินถ ล, ล่มไปเราไปประกอบความเพียรก็อีกลงสลาดเป็นสลาตายถึงขั้นสลบสามหนักขนาดไหนถึงต้องสลบคนดีๆนี่ถึงขั้นสลบด้วยความเพียร เ ห, ห็แตกทะลุขึ้นมาอัตจาทะลุขึ้นมาก็เป็นพระพุทธเจาองค์เอกไม่มีใครก็เหมือนอยู่แล้วธรรมที่ทรงรู้ทรงเห็นก็เป็นธรรมเอกอีกไม่มีคู่แข่งอะไรเลยพอจะเป็นสองก็คู่แข่งนี่มันก็ซึ้งทําให้เกิดท่าความสงส า, า, ารพระพุทธเจ้าอย่างเต็มใจน้นตาลุง่งอ้าวอัศรรจรรย์พระพุทธเจ้าอีกเวลาผล สแสดงขึ้นจากการบำเพ็ญเพียรของพะอน้ำตาล่วงของพระอิศเล่าพอดีถึงน้ำตาล่วงทั้งสองนี้มันก็เป็นพลังของจิตทำให้มีแก่ใจที่จะตรสนใจภาวนาและประกอบความภาคเพียนเพื่อความพ้นทุกข์แล้วพระสงฆ์สาวกทั้งหลายแต่และองค์ละองค์มาจาก กระย์พรราชามหาภราชญ์เศรษฐีกูรมพีก็อค้าผระชาชุนชาวไร่ชาวนาทุกตะับเชินกจโทระองคทรงถือสูงถือต่ำถือว่าเป็นมนุษย์เต็มตัวเหมือนกันหมดและเป็นผู้ควรที่จะได้บรรลุธรรมพระองค์ก็ทรงข้ามสอนเหมือนกันหมดถอความเป็นคนดีพระองค์ก็มีพระเมตตา ับสอนอบสบุนอรบรรดาสาวรงทงหลาที่ออกมาจากพระคุณต่างๆ น, น, นั้นองค์ไหนก็องค์นั้นเราก็เห็นแล้วนต อ, อนการประกอบความภาคเทียนนี้ไม่ได้สนใจกับวงศะกคุณยากมิจฉาหารสมบัติเงินทองเข้าของมีมากน้อยเพื่อนถูงมีเท่าไหร่ไม่สนใจเหมือนกับตัดออกหมด ไม่เอามาเป็นเครื่องกงังวลให้เป็นสิ่งก่อควรติดกันยู่มีแต่ตั้งหน้าตั้งตาตัดจากความหงใจทั้งหลายเหล่านี้ไม่ให้มีใ้จิตไหลลงช่องเดียวคือความเพียรเพื่อเพื่อทำอย่างเดียวเท่านั้นผลก็ปรากฏขึ้นเป็นลำดับองค์นั้นสำเร็จ บรรลุพระอรหันต์อยู่ในภูเขาหลุกนั้น่นองค์นั้นบรรลุทำอยู่ในป่านั้นในเนื้องผานี้ในศอกเขาท้ายป่าไม่มีมกําหนดกฎเกณฑ์แต่เป็นสถานที่วิเวกสงัดเป็นที่คนทั้งโลกเขาไม่ปรารถนากัน ท, ทั้งนั้นบรรดาสถานที่พระสาวกทั้งหลาย ไปอยู่บำเพ็ญเพียรและบรรลุธรรมแบบนั้นก็เหมือนกับมแมลงวันบ้านไม่ชอบอยู่ในป่านมันชาวบ้านก็เป็นเหมือนมแมลงวันมแมลงบนมันวนอยู่ในบ้านเืนนนนนอนผู้มุงจอดตธรทมเขาตรจเข้าพาในป่าในเนะขาไปจ้องบำเพ็ญเพียรอยู่นูนะลสกุลคุ้สูงทีท่มีความมะยอดอ่อนมากตั้งแต่เริ่มและ จะถ้าจะเทียบทางท่าขันแล้วจะมีความขมุกสขมันมีความทุกข์ความลำบากอยู่มากเพราะไม่เคยประชาชนชาวไร่าชาวนาเขาเคยขมุกสขมันกับงานมาแล้วก็เป็นอีกแบบหนึ่งแต่ทําไมท่านทงสลดได้อย่างนั้นทําแบบเดียวกันอย่างนั้นข้อเหตุอะไรก็เพรา ะ, รระจิตใจเป็นของสําคัญเมื่อรับการอบรมหรือรับ ว่าที่พระพุทธเจ้าประทานให้แล้วเกิดความเชื่อความใสซึง้งถึงจิตถึงใจแล้วเป็นตายก็ไม่หวั่นนั่นเนล่ะเหตุคือความเพียรท่านจะเก่กล้าและสามารถบรรลุธรรมได้กลายเป็นสารณาของโลกมาจนกระทั่งทุวันนี้นี่คือแนวทางของผู้ที่จะหลุดพ้นจากทุกมีเหล่าดังที่กล่าวมาเหล่านี้นอกนั้นมองไม่เห็นว่าเป็นแนวทาง เราเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสอาสวะต่างๆเราจะยึดอะไรเป็นแนวทางทั้งทางพระนางกระฉามนี้ก็ฝากเป็นฝากตาท่านไว้ในจิตด้วยฝากเป็นฝากตาด้วยการพุทธปฏิบัติเดินตามร่องรอยของท่านด้วยพระพโพธิจ้าก็เช่นเดียวกันธรรมังสระนางกระฉามนี้ขอให้รู้เห็นธรรม ด้วยการเอาคิปฏิบัติแบบเอากินออกจากไม่ทะเลาไหลไม่บุ่นวายกับสิงใดนี่เป็นทางเดินของผู้จะกก้าวพ้นจากทุกข์ไปโดยลําดับลำหนับเดนพ้นทุกข์โดยจิ่มเชิยไม่มีสิ่งใดเลหลืออประวัติของอภูติจักพอดีประวัติของเสาทั้งหลายพอดีเป็นคติเครื่องเตือนใจให้นมีพลังใจ ได้อย่างมากมายเยีล้วถ้าเราจะอ่าจมีความสนใจนี่ก็ได้นี่แหละเป็นหลักสำคัญจนถึงขั้นเด็กเดีดเด่ยวถึงขั้นสลับเป็นสลัตายได้เพราะประวัติของพระพุทธเจ้าประวัติของระสาวกน่ะที่ซึ่งเขาในจิได้ ตัดถึงใจในตัวเองหลวว่าเรียนก็เรียนแต่เรียนได้ถึงตามที่เราต้องการแล้วจะออกปฏิบัติเพื่อเพื่อทำและบรรลุธรรมดังที่ท่านทั้งหลายบรรดาพระพุทธเจาและเสาพระพิทธเจาและบรรดาเสาทั้งหลายบรรลุนั้นให้ได้เมื่อมรรคผลนิพพานดังมีอยู่จะให้ได้มรรคผลนิพพานโดยข่ายเดียวเท่านั้นตายก็ตาย ทีนี้เมื่อความมุ่งมั่นมันมีมากก็เป็นเหตุให้เกิดสงสารมรรคผลนิพพานก็มีหรือไม่มียังมีอยู่หรือไม่มันมีได้เพื่อนมามีภายในใ จ, ใจิตใจท่านผู้หนึ่งผู้ใดมาชี้แจง เ, เหตุผลต้นปลายอันเป็นหลักความจริงเกี่ยวกับมรรคผลนิพพานเราฟังอย่างซึ้งถึงใจแล้วเราจะมอบตายลงเลย ครับคราจารย์องค์นั้นและข้อปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยความเพียรขนาดไหนแค่ตายเท่านั้นจะมอบลงถิงนตายกีเดียวขอเดชะวาสนามามีอะไรก็ไม่รู้แหละเรื่อยๆเหพบเห็นท่านอาจารย์มั่นอธิบายทรรมให้ฟังตั้งแต่ต้นเลยมีแง่ใดหาที่ค้านมานะ่ะมองรูปฏิปทาเครื่องดำเนินก็หาที่ค้านไม่ได้ไม่ว่าหลักธรรมหลักวินัย การพูดทีเล่นทีจริงการแสดงว่าคำต่องสอนหนักเบาลุกตื้นหยาบละเอียดประการใดหาพค้ากไม่ได้ซึ่งเสื่อมลงถึงจิตเร่งมรรคผลนิพพานก็นเหมือนอย่างเราก็แน่ใจว่าท่านทราบอยู่แล้วว่าเรามีข้อข้องใจในเรื่องมรรคผลนิพพานา ท, าท่านท่านก็กำลังหาแสวงหาครูบาอาจารย์เพื่อบอกนะเรื่องมรรคผลนิพพานอยู่นั่นแหละ ท่านก็สายเปรี้ยงมาเลยเหมือนกับว่านี้ะนีหน่าเห็นหรือไม่เห็นพระพุทธนิพพานจะไปหาที่ไหนหาดินเป็นดินหาน้านําเป็นน้านําหาลมเป็นลมหาไฟเป็นไฟหาอากาศเป็นอากาศหาอะไรก็เป็นอันนั้นไปไม่ใช่พระพุทธนิพพานการหาพระพุทธนิพพานต้องหาที่ตัวนี้พระพุทธเจ้าทรงประทานพระวจนะไว้กมากน้อยสอนเข้ามาเพื่อที่ตรงนี้ทั้งนั้น สอนเามาสู่มรงพุญญิพานที่มีอยู่ภายในจิตใจปฏิบัติที่ตรงนี้แต่จิตใจที่เป็นมรงพุญญิพานไม่ไ่เขาพอ้องกิเลสลุมร้อมอยู่หมดอย่างมิดมิดชิดปิดตัวเป็นห โ, โอกาสที่เวลาเวลาฉายแสงความจริงแห่งธรรมออกมาไม้ได้เพราะฉะนั้นจงขุดค้นตรงที่ตรงนี้ทุกข์กับดวงทยเป็นเครื่องปิดบังนี้รับที่ ไม่สามารถมองเห็นจิตกจอันแท้จริงได้เลยมากคือข้อปฏิบัติมีสีสมาธิปัญญาไปสัาผัญเป็นเครื่องบุกเบิกบุกเบิกยือถอนสิ่งปกคลุมหุ้มหอ่อทั้งหลายคือทุกข์กับสมทัยนี้ออกเป็นลําดับําับจนกระทั่งเปิดตูอย่างเต็มที่ทุกข์ดับไปอย่างสนิทรากฏเป็นนิโรธอย่างเป็นภูมิขึ้นมาที่ใจนี้นักเหมือนกับท่านบอกว่านี่นักนี่หน จิตใจมันก็เสงถึงใจเลยทีเมื่อมันถึงใจแล้วความเพียรมันก็ถึงทุกอย่างอาละที่นี่เรื่องมรรคผลยพานเราหมดแล้วเรื่องข้อของใจเรื่องมผลพานที่นี่เราจะจริงหรือไม่พทนั้นเองในการปฏิบัติเพื่อมรรคผลยุพานดังที่มุ่งบังอยู่แล้วนั้นทั้งนี้มันก็รับทันทันทีจริงต้องจริงจริงจนตานไม่มีวันถอยนะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตายก็ตายไม่ตายให้รู้ นั่นแหละการปฏิบัติมันถึงได้เด็กเดียวมันถึงได้อาถารไม่เสียดายชีวิต ท, ทุกข์ก็ทุกข์ยอมรับว่าทุกข์ทุกข์ก็เป็นทุกข์ษัตริย์เป็นสัจธรรมอะไรมันจะเกิดขึ้นมามากน้อยมันสำคัญยิ่งกว่าเรื่องที่เล็มันดั้อยู่หัวใจถ้าเกิดความทุกข์ร้อนภายในจิตใจนี้ทุกข์มากจะเอาตรงนี้ไห้เต็มที่ก็ขุดค้นตรงนั้นไม่หยุดไม่ท้อ ออรรถไคมาไปดูนี่นั่นมาแล้วรอนมองเห็นไ ป, ลนปแล้ ว, ล ว, ลวท่านบัญญาติอธิบายเราคาถังก็เรื่อยะเลยเพื่อที่เราจนมีมา